ความเศร้าหมองและความผ่องแพ้วของศีลปัญหากรรมใดที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วว่าอะไรเป็นความเศร้าหมองเป็นความผ่องแพ้วของศีลนั้นข้าพเจ้าจะวิสัชนาในปัญหากรรมนั้นต่อไปดังนี้ภาวะที่ศีลขาดเป็นต้นเป็นความเศร้าหมองของศีลภาวะที่ศีลไม่ขาดเป็นต้นเป็นความผ่องแพ้วของศีล วิสัชนาปัญหาข้อที่6ความเศร้าหมองของศีลก็แลภาวะที่ศีลขาดเป็นต้นนั้นท่านสงเคราะห์ด้วยความแตกต่างซึ่งมีลาบและยศเป็นต้นเป็นเหตุอย่างหนึ่งด้วยเมตุนสังโยคะหรือสังโยกเจ็ดประการอย่างหนึ่งจริงอย่างนั้นในบรรดาอาบัติเจดกองสิกขาบทของภิกษุใดขาดเบื้องต้นหรือที่สุด ศีลของภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นศีลขาดเหมือนผ้าที่ขาดชายส่วนสิกขาบทของภิกษุใดขาดตรงกลางศีลของภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นศีลทะลุเหมือนผ้าที่ทะลุกลางผืนสิกขาบทของภิกษุใดขาดสองสามสิกขาบทไปตามลำดับศีลของภิกษุนั้นชื่อเป็นศีลด่าง เหมือนแม่โคมีสีตัวเป็นสีด่างดำหรือด่างแดงเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยสีที่ไม่เหมือนกันซึ่งปรากฏขึ้นที่หลังหรือที่ท้องสิขาบทของภิกษุใดขาดเป็นตอนๆไปศีลของภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นศีลพร้อยเหมือนแม่โคลายเป็นจุดด้วยสีที่ไม่เหมือนกันเป็นระยะ ะ, ยะไปภาวะที่ศีลขาดเป็นต้น ย่อมมีด้วยความแตกต่างซึ่งมีลาบเป็นต้นเป็นเหตุด้วยประการดังอธิบายมานี้เมถุสังโยคะเจ็ดภาวะที่สินขาดด้วยอำนาจแห่งเมธุสังโยคะหรือสังโยกเจ็ดประการมีอธิบายจะบรรยายต่อไปนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดังนี้ 1. พรามสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญาณตนว่าเป็นพระมารีโดยชอบหาได้ถึงซึ่งความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่ก็แต่ว่ายังยินดีการลูกคลำการขัดสีการให้อาบและการนวดของมาตุคามเขายินดีปรารถนาต่อการบำเรอนั้นและถึงซึ่งความปลื้มใจด้วยการบำเรอนั้น พรามความยินดีต่อ ก, การบำเรอแห่งมาตุคามนี้จัดเป็นความขาดบ้างความทะลุบ้างความด่างบ้างความพร้อยบ้างของพรหมจรรย์พรามสมณะหรือพราหมณ์นี้เรากล่าวว่าเขาประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมถุนสังโยคะย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะเรากล่าวได้ว่า เขายอมไม่พ้นไปจากทุกสองพรามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญญาณตนว่าเป็นพรมมารีโดยชอบหาได้ถึงซึ่งความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่เลยแม้การลูบคลาของมาตุคามก็มิได้ยินดีก็แต่ว่ายังกระสิกระซิเล่นหัว และยังล้อเรียนกับมาตุคามอยู่เขายินดีต่อการกระซิกระสิเป็นต้นนั้นเรากล่าวได้ว่าเขายอมไม่พ้นจากทุกสามพรามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญญาตนว่าเป็นโรมจารีโดยชอบหาได้ถึงความร่วมกันสองตสองกับมาตุคามไม่เลย แม้การลูกคลาของมาตุคามก็ไม่ได้ยินดีทั้งไม่กระซิบกระซีไม่เล่นหัวไม่ล้อเลียนกับมาตุคามแต่ว่ายังชอบเพ่งดูตาต่อตาของมาตุคามเขายินดีต่อการเพ่งดูนั้นเรากล่าวได้ว่าเขายอมไม่พ้นจากทุกสี่พรามอีกประการหนึ่ง สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้หาได้ถึงซึ่งความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่เลยแม้กา ร, รลูบคลาของมาตุคามก็ไม่ยินดีทั้งไม่ได้กระซิกระซี้เล่นหัวทั้งไม่ได้ล้อเรียนกับมาตุคามทั้งไม่ชอบเพลงดูตาต่อตาของมาตุคามก็แต่ว่ายัางชอบฟังเสียงของมาตุคามผู้หัวเราะอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีร้องเพลงอยู่ก็ดีร้องไห้อยู่ก็ดี ภายนอกฝาหรือภายนอกกำแพงก็ตามเขายินดีต่อเสียงนั้นเรากล่าวได้ว่าเขาย่อมไม่พ้นจากทุกข์ห้าพรามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้หาได้ถึงซึ่งความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่เลยแม้การลูกคลามของมาตุคามก็ไม่ได้ยินดี ทั้งไม่ได้กระซิบกระซิเล่นหัวทั้งไม่ได้ล้อเลียนกับมาตุ ค, คามทั้งไม่ชอบเพลงดูตาต่อตาของมาตุ ค, คามทั้งไม่ชอบฟังเสียงมาตุ ค, คามผู้หัวเราะอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีร้องเพลงอยู่ก็ดีร้องไห้อยู่ก็ดีภายนอกฝาหรือภายนอกกำแพงก็ตามก็แต่ว่ายัางระลึกถึงซึ่งการหัวเราะและการพูดจาและการเล่นหัวกับมาตุ ค, คามในการก่อน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 แม้การหัวเราะ ก, การพูดเล่นหัวกับมาตุกามในการกอนก็ไม่ได้ระลึกถึงก็แต่ว่าเขาเห็นขาเรือหกบดีหรือบุตรของขาเรือหกบดีถูกบำเรออยู่ด้วยการมาคุณห้าอย่างเออบอิ่มเพียบพร้อมเขายินดีต่อการบำเรอนั้นเรากล่าวได้ว่าเขายอมไม่พ้นจากทุกเจ็ดพรามอีกประการหนึ่ง สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้หาได้ถึงซึ่งความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่เลยหาได้เห็นเขารือหาบดีหรือบุตรเขารือหาบดีผู้ถูกบำเรออยู่ด้วยการมาคุณห้าอย่างเ อ, อ, บอิบิมเพียบพร้อมแล้วยินดีไม่ก็แต่ว่าเขาประพฤติพรหมจันทร์โดยปรารถนาเป็นเทพนิกายเหล่าใดเหล่าหนึ่งว่าเราจาเป็นเทวดาหรือเป็นเทพเจ้าตนใดตนหนึ่ง ด้วยศีลอันนี้ด้วยพรตอันนี้ด้วยตาบะอันนี้หรือด้วยพรหมจรรย์อันนี้เขายินดีปรารถนาต่อความเป็นเทพนั้นและย่อมถึงซึ่งความปราบปลื้มด้วยความเป็นเทวดานั้นพรามความยินดีด้วยความเป็นเทวดาแม้นี้จัดเป็นความขาดบ้างความทะลุบ้างความด่างบ้าง ความร้อยบ้างของพ ร, ม ร, ระมัจันฉนี้แหละนักศึกษาพึงทราบว่าภาวะที่ศีลขาดเป็นต้นท่านสงเคราะห์ด้วยความแตกต่างซึ่งมีลาบเป็นต้นเป็นเหตุอย่างหนึ่งด้วยเมธุนสังโยคะเจ็ดประการอย่างหนึ่งด้วยประการดังพันนามาฉนี้ วิสัชนาปัญหาข้อที่เจความพ่องแผ้วของศีลก็แลภาวะที่ศีลขาดเป็นต้นภาวะที่ศีลไม่ขาดเป็นต้นท่านสงเคราะห์ด้วยความไม่แตกคือขาดแห่งสิกขาบททั้งหลายโดยสิ้นเชิงหนึ่งด้วยการกระทำคืนศิกขาบทที่ทำคืนได้ซึ่งแตกขาดแล้วหนึ่งด้วยความไม่มีเมธุนสังโยคะเจ็ดประการหนึ่ง ด้วยข้อปฏิบัติอื่นๆคือความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปธรรมทั้งหลายมีอาทิเช่นความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความริษยาความตรณีความมารยาความโอ้อวดความหัวดื้อความแข่งดีความถือตัวความดูหมิ่นความมัวเมาความเล่นเล่หนึ่งด้วยความบังเกิดขึ้นแห่งคุณทั้งหลายมีอาทิเช่น ความมากน้อยความสันโดษความขัดเกลาวหนึ่งจริงอยู่ศีลเหล่าใดแม้ไม่ขาดเพื่อต้องการลาบเป็นต้นก็ดีแม้ศีลที่ขาดไปด้วยโทษคือความประมาทแต่กระทำคืนแล้วก็ดีศีลที่อันเมถุนสังโยคะหรือบาปทมทั้งหลายมีความโกรธและความผูกโกรธเป็นต้นไม่ได้เข้าไปทำลายแล้วก็ดี ศีลเหล่านั้นเรียกว่าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยโดยประการทั้งปวงและศีลเหล่านั้นแหละชื่อว่าผู้ชิดะเพราะสร้างความเป็นไทยชื่อว่าวินยุปสัต t h เพราะผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญชื่อว่าอปรามัถะเพราะอันตันหาและทิฏฐิทั้งหลายไม่ถูกต้องแล้ว ชื่อว่าสมาธิสังวัตตนิกะเพราะยังอุปจารสมาธิหรืออั ป, ปนาสมาธิให้เป็นไปเพราะเหตุนั้นอันภาวะที่ศีลไม่ขาดเป็นต้นนี้นักศึกษาพึงทราบว่าเป็นความผ่องแผ้วของศีลทั้งหลายเหล่านั้นก็แลความผ่องแผ้วนี้นั้นย่อมสำเร็จได้ด้วยเหตุสองประการคือด้วยการมองเห็นโทษแห่งศีลวิบัติหนึ่ง ด้วยการมองเห็นอานิสงของศีลสมบัติหนึ่งโทษแห่งศีลวิบัติในเหตุสองประการนั้นนักศึกษาพึงทราบโทษแห่งศีลวิบัติโดยสุดตันต์ น, นมีอาธิอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายโทษแห่งศีลวิบัติของภิกษุผู้ทุศีลมีห้าอย่างเหล่านี้ประการหนึ่งบุคคลผู้ทุศีล เพราะเหตุแห่งความเป็นผู้ทุศีลย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้อันเพื่อนโภมาจารีทั้งหลายไม่พึงพร่ำสอนเป็นผู้มีทุกข์ในเพราะการขอรหาความเป็นผู้ทุศีลเป็นผู้มีความเร่าร้อนใจในเพราะการสรรเสริญของผู้มีศีลทั้งหลายและเพราะความเป็นผู้ทุศีลนั้นเป็นเหตุย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณหม่นห ม, มอง เหมือนภาพเหลือกไม้ชื่อว่าเป็นผู้มีสัมผัสหยาบเพราะนำอบายทุกมาให้แก่คนทั้งหลายผู้ถึงซึ่งการเอาเยื่องอย่างของเขาตลอดกาลนานชื่อว่าเป็นผู้มีคุณค่าน้อยเพราะทาไม่ให้มีผลมากแก่ผู้ที่ตนรับทายธรรมของเขาเป็นผู้ล้างให้สะอาดได้ยากเหมือนหลุมคูดที่หมักหมมไว้นานปี เป็นผู้เสื่อมจากประโยชน์ทั้งสองเหมือนดุ้นฟืนเผาศพถึงแม้จะปฏิญญาตนว่าเป็นภิกษุก็ไม่เป็นภิกษุอยู่นั่นแหละเหมือนลาที่ติดตามฝูงโคเป็นผู้วาาสะดุ้งเรื่อยไปเหมือนคนมีเวรอยู่ทั่วไปเป็นผู้ไม่ควรแก่การอยู่ร่วมเหมือนกะเลวรากของคนตายแม้ถึงจะเป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมมีสุตตะเป็นต้นก็ตาม ยังเป็นผู้ไม่ควรแก่การบูชาของเพื่อนปรมจันทร์ทั้งหลายอยู่นั่นเองเหมือนไฟในป่าช้าไม่ควรแก่การบูชาของพราหมณ์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ควรในอันที่จะบรรลุธรรมวิเศษเหมือนคนตาบอดไม่ควรในการดูรูปเป็นผู้หมดหวังในพระสัตวธรรมเหมือนเด็กจันทานหมดหวังในราชสมบัติแม้ถึงจะสำคัญอยู่ว่าเราเป็นสุขก็ชื่อว่าเป็นทุกข์อยู่นั่นเทียว เพราะเป็นผู้มีส่วนแห่งทุกข์ดังที่ตรัสไว้ในอักขิกรคันทับปริยายสูตรจริงอยู่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงประจักษ์แจ้งกรรมและวิบากของกรรมโดยประการทั้งปวงเมื่อจะทรงแสดงทุกข์อันเผ็ดร้อนยิ่งซึ่งมีความเป็นผู้ทุศีนั้นเป็นปัจจัยอันสามารถจะทำความรุ่มร้อนแห่งใจให้เกิดแล้วบันดาลความกระอักเลือดอย่างสดสดให้เป็นไป ม้เพียงแต่ระลึกถึงแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ทุศีนมีจิตกำหนัดด้วยความยินดีในสุขอันเกิดแต่การบริโภคเป็นจา ก, กามคุณและสุขเกิดแต่การกราบไหว้การนับถือเป็นต้นจึงได้ตรัสพระพุทธโอวาทไว้ดังนี้อคิกขันถสูตรภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นหรือไม่ โนนกองไฟใหญ่ซึ่งติดลุกเป็นเปลเวมีแสงโฉดช่วงอยู่พวกภิกษุกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นอย่างไรคือการที่ภิกษุพึงเข้าไปนั่งหรือเข้าไปนอนกอดกองไฟใหญ่ซึ่งลุกติดเป็นเปลเวมีแสงโฉดช่วงอยู่โ น, น่นเป็นสิ่งประเสริฐหรือหรือว่าการที่ภิกษุ พึงเข้าไปนั่งหรือเข้าไปนอนสวมกอดนางสาวกษัตริย์นางสาวพราหมณ์หรือนางสาวขหบดีผู้มีมือและเท้าอ่อนนุ่มนิ่มเหมือนปุยนุ่นเป็นสิ่งประเสริฐเล่าพวกภิกษุกราบทูลว่าการที่ภิกษุเข้าไปนั่งหรือเข้าไปนอนสวมกอดนางสาวกษัตริย์นางสาวพราหมณ์หรือนางสาวขหบดีผู้มีมือและเท้าอ่อนนุ่มนิ่มเหมือนปุยนุ่นนี้แหละเป็นสิ่งประเสริฐพระพุทธเจ้าข้า เพราะว่าการที่ภิกษุเข้าไปนั่งหรือเข้าไปนอนกอดกองไฟใหญ่ซึ่งติดลุกเป็นเปลเวมีแสงโชดช่วงอยู่โน่นนั้นเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเราจะบอกเธอทั้งหลายจะแนะนำเธอทั้งหลายให้รู้แจ้งการที่พึ่งเข้าไปนั่งหรือเข้าไปนอนกอดกองไฟใหญ่ซึ่งติดลุกเป็นเปลเวมีแสงชดช่วงอยู่โ น, น่นนี้นั้นแล เป็นสิ่งประเสริฐสำหรับภิกษุนั้นผู้มีสีเหลวมีธรรมะลามกมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจมีการงานเร้นลับไม่ใช่สมณะปฏิญญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่พระมารีปฏิญญาณว่าเป็นพระมารีเป็นผู้เน่าหนชุมโชคไปด้วยกิเลสรกไปด้วยอยากเยื่อข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลาย เพราะว่าภิกษุผู้ทุศีนนั้นจะพึงเข้าถึงความตายหรือความทุกข์ขนาดปางตายเพราะมีการกอดกองไฟใหญ่นั้นเป็นเหตุก็ตามก็แต่ว่าเขาจะไม่พึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเบื้องหน้าแต่แตกกายตายไปเพราะมีการกอดกองไฟใหญ่นั้นเป็นปัจจัยรั้นทรงแสดงทุกข์ซึ่งมีการบริโภคเบญจา ก, กาแมาคุณ อันเนื่องด้วยสตรีเป็นปัจจัยโดยอุปมาด้วยกองไฟอย่างนี้แล้วจึงได้ทรงแสดงทุกข์ซึ่งมีการกราบไหว้การประนมมือและการบริโภคจีวรบินทะบาทเตียงต่างวิหารเป็นปัจจัยโดยอุปมาด้วยเชือกขนหางสัตว์หอกคมแผ่นเหล็กก้อนเหล็กเตียงเหล็กต่งเหล็กและหม้อเหล็กทั้งหลายเหล่านี้ว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นอย่างไรคือการที่บุรุษผู้มีกําลังเอาเชือกขนหางสัตว์ชนิดที่มั่นเหนียวพันแข้งทั้งสองแล้วสีไปมาเชือกนั้นจะพึงตัดผิวครั้นตัดผิวแล้วจะพึงตัดหนังครั้นตัดหนังแล้วจะพึงตัดเนื้อครั้นตัดเนื้อแล้วจะพึงตัดเอ็นครั้นตัดเอ็นแล้วจะพึงตัดกระดูกครั้นตัดกระดูกแล้ว จะพึงตรัสจรดเยื่อกระดูกนี้เป็นสิ่งประเสริฐหรือไม่หรือว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีนพึงยินดีการกราบไหว้ของเหล่ากษัตริย์มหาศาลเหล่ารามหาศาลหรือเหล่าขหาบดีมหาศาลเป็นสิ่งประเสริฐกว่าเล่าหนอภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นอย่างไรคือการที่บุรุษผู้มีกาลังเอาหอกอันคม ซึ่งฉลมด้วยน้ำมันทิ่มเข้าตรงกลางอกนี่เป็นสิ่งประเสริฐหรือไม่หรือว่าการที่ภิกษุพุทธศีลยินดีการประนมมือของเหล่ากษัตริย์มหาศาลเหล่าพราหมหาศาลหรือเหล่ากะบดีมหาศาลเป็นสิ่งประเสริฐเล่าหนอภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นว่ายอย่างไรคือการที่บุรุษผู้มีกาลังจะพึงเอาแผ่นเหล็กที่ร้อน ไฟติดลุกเป็นเปลวมีแสงโฉดช่วงมาหุ้มเข้ากับกายนี้เป็นสิ่งประเสริฐหรือไม่หรือว่าการที่ภิกษุผู้ถุศีลพึงนุ่งห่มจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของเหล่ากรรษัตริย์มหาศาลเหล่าพราหมหาศาลหรือเหล่าข้าพเดี๋ยวมหาศาลเป็นสิ่งประเสริฐเล่าหนาะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นอย่างไรคือการที่บุรุษ ผู้มีกำลังเอาคมเหล็กที่ร้อนไฟติดลุกเป็นเปลวมีแสงโชดช่วงมางัดปากแล้วพึงใส่ก้อนเหล็กที่ไฟติดลุกเป็นเปลวมีแสงโชดช่วงเข้าไปในปากก้อนเหล็กที่ร้อนนั้นจะพึงไม่รืมฝีปากบ้างปากบ้างลิ้นบ้างลําคอบ้างท้องบ้างของภิกษุผู้ทุศีนั้นพาเอาทั้งไส้ใหญ่ไส้น้อยออกมายังสวนเบื้องล่าง นี่เป็นสิ่งประเสริฐหรือไม่หรือว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลพึงฉันบินทบาต ท, ที่เขาให้ด้วยศรัทธาของเหล่ากรรษัตริย์มหาศาลเหล่าพระมหาศาลหรือเหล่าขหาบดีมหาศาลเป็นสิ่งประเสริฐเล่าหนอภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรคือบุรุษผู้มีกำลังจับที่ศีรษะหรือที่คอแล้วพึงให้นั่งหรือให้นอนบนเตียงเหล็ก หรือตังเหล็กที่ร้อนอันไฟติดลุกเป็นเปลวโชดช่วงอยู่นี้เป็นสิ่งประเสริฐหรือไม่หรือว่าการที่ภิกษุใช้เตียงหรือตังที่เขาถวายด้วยศรัทธาของเหล่ากษัตริย์มหาศา ร, รเหล่าพรหมหาศา ร, รหรือเหล่าขหาปบดีมหาศา ร, รเป็นสิ่งประเสริฐเล่าหนาภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสาคัญความข้อนั้นอย่างไร คือบูรุษผู้มีกำลังจะพึงจับทำให้มีเท้าขึ้นเบื้องบนมีศีรษะลงเบื้องล่างแล้วใส่ลงในหม้อเหล็กที่ร้อนอันไฟติดลุกเป็นเปลวมีแสงโชตช่วงเขาถูกต้มเดือดพล่านเป็นฟองบางทีก็ลอยขึ้นมาบางทีก็พึงจมลงไปบางทีลอยขวางไปนี่เป็นสิ่งประเสริฐหรือไม่หรือว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีล จะพึงใช้วิหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาของเรากริย์มหาศาลเหล่าพระมหาศาลหรือเหล่าขหาดีมหาศาลเป็นสิ่งประเสริฐเล่าหนอเพราะเหตุนั้นนักศึกษาพึงทราบการมองเห็นโทษในศีลวิบัติด้วยการพิจารณามีอาทิอย่างนี้ว่าความสุขของภิกษุผู้มีศีลขาดไม่สละกา ม, มาสุขอันมีผลเป็นทุกข์เผ็ดร้อน ยิ่งกว่าทุกนในการกอดกองไฟจกมีแต่ที่ไหนความสุขในอันยินดีการกราบไหว้ของภิกษุผู้มีศีลวิบัติผู้มีส่วนแห่งทุกขยิ่งกว่าทุกขในการเสียดสีแห่งเชือกขนหางสัตว์อันมันเหนียวจะมีได้อย่างไรเล่าความสุขในอันยินดีต่อการประนมมือของผู้มีศรัทธาทั้งหลายของภิกษุผู้ไม่มีศีลผู้มีทุกอันมีประมาณยิ่งกว่าทุก เกิดแต่การทิมแทงด้วยหอกเหตุไรจึงจะมีได้เล่าความสุขในการบริโภคจีวรของภิกษุผู้ไม่สำรวมแล้วผู้จะต้องสวยสัมผัสแผ่นเหล็กอันลุกชนในนรกสิ้นกาลนานจะมีได้อย่างไรสำหรับภิกษุผู้ไม่มีศีลแม้บินทบาทจะมีรสอร่อยก็เปรียบเหมือนยาพิษอันร้ายแรง เพราะมันเป็นเหตุให้กลื่นกินก้อนเหล็กแดงตลอดกาลนานการใช้เตียงและต่างของภิกษุผู้ไม่มีศีลซึ่งจะต้องถูกเตียงและต่างเหล็กอันลุกโชนเบียดเบียนตลอดกาลนานแม้เขาจะสำคัญว่าเป็นสุข ก, ก็ชื่อว่าเป็นทุกข์จะน่ายินดีอะไรในการอยู่ในวิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาสำหรับภิกษุผู้ทุศีล เพราะมันเป็นเหตุให้ต้องตกไปอยู่ในกลางหม้อเหล็กอันลุกโชนพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นครูของโลกได้ตรัสครหาภิกษุผู้ทุศีลว่าเป็นผู้มีความประพฤติหน้ารังเกียจรกเป็นอยากเยื่อชุ่มโชคไปด้วยกิเลสหลามกและเน่าในชีวิตของภิกษุผู้ไม่สำรวมนั้นส่งเพศสมณชนแต่ไม่ใช่สมณะ พาตนซึ่งถูกค้นถูกขุดไปอยู่สัตบุรุษผู้มีศีลทั้งหลายในโลกนี้หลีกเว้นภิกษุผู้ทุศีลใดเหมือนพวกคนรักในการประดับตนหลีกเลี่ยงขูดหลีกเลี่ยงซากศพชีวิตของภิกษุผู้ทุศีล น, นั้นจะมีประโยชน์อะไรภิกษุผู้ทุศีลเป็นผู้ไม่พ้นจากภัยทั้งปวงกลับเป็นผู้พ้น จากอธิคมสุขคือสุขอันตนจะพึงบรรลุอย่างสิ้นเชิงเป็นผู้มีประตูสวรรค์อันถูกปิดสนิทแล้วเลยไปขึ้นสู่ทางแห่งอบายบุคคลอื่นใครเล่าที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความกรุณาของบุคคลผู้มีความกรุณาที่น่าสงสารเสมอเหมือนภิกษุผู้ทุศีน โทษแห่งความเป็นผู้ทุศีล์มีมากอย่างหลายประการดังพันน า, นามาชะนี้อนิสงของศีละสมบัติส่วนการมองเห็นอนิสงของศีละสมบัติโดยประการตรงกันข้ามจากประการที่กล่าวมาแล้วนักศึกษาพึงทราบดังต่อไปนี้ อีกประการหนึ่งศีลของภิกษุใดปราศจากมนทินดีแล้วการทรงบาตรและจีวรของภิกษุนั้นย่อมเป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสบรรพชาของท่านก็เป็นสิ่งที่มีผลดวงหาไทยของภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วย่อมไม่อย่างลงสู่ภยัยมีการติดเตียนตนเองเป็นต้นเป็นเหมือนพระอาทิตย์ไม่อย่างลงสู่ความมืดมน ภิกษุงามอยู่ในป่าเป็นที่บำเพ็ญตบะด้วยศีลสมบัติเหมือนพระจันทร์งามในท้องฟ้าด้วยสมบัติคือราศมีแม้เพียงกลิ่นกายของภิกษุผู้มีศีลก็ยังทำความปราโมทให้แม่แก่ฝูงถวยเทพไม่จำต้องกล่าวถึงกลิ่นคือศีลกลิ่นคือศีลย่อมครอบงำสมบัติแห่งคันธชาต คือของหอมทั้งหลายอย่างสิ้นเชิงย่อมฟุ้งตลบไปทั่วทุกทิศไม่มีการติดขัดสั ก, การะทั้งหลายที่บุคคลกระทำแล้วในภิกษุผู้มีศีลแม้จะเป็นของเล็กน้อยก็ย่อมมีผลมากภิกษุผู้มีศีลย่อมเป็นภาชนะรองรับเครื่องบูชาสักการะอาสวะทั้งหลายในปัจจุบันก็เบียดเบียนภิกษุผู้มีศีลไม่ได้ ภิกษุผู้มีศีลย่อมขุดเสียซึ่งรากแห่งทุกข์อันจะพึงมีในชาติเบื้องหน้าทั้งหลายสมบัติอันใดในโลกมนุษย์และสมบัติอันใดในโลกเทวดาสมบัติอันนั้นอันผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วปรารถนาอยากจะได้ก็เป็นสิ่งจะพึงหาได้โดยไม่ยากอันหนึ่งนิพพานสมบัติอันสงบอย่างหาที่สุดมิได้นี้ใด ใจของผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วยอมแล่นตรงเน่าไปสู่นิพพานสมบัตินั้นนั่นเทียวบัณฑิตพึงแสดงอนิสงส์อันมากหลายเป็นอนเนกประการในศีลอันเป็นมูลแห่งสมบัติทั้งปวงโดยประการดังพันนามาแล้วนั่นเถิดเพราะว่าเมื่อบัณฑิตแสดงอยู่โดยประการอย่างนั้นจิตใจก็จะหวาดเสียวแต่ศีลวิบัติแล้วน้อมไปหาศีลสมบัติได้ เพราะเหตุนั้นโยคีบุคคลครั้นมองเห็นโทษของศีลวิบัตินี้และมองเห็นอานิสง์ของศีลสมบัตินี้ตามที่ได้บรรยายมาแล้วพึงชาําระศีลให้พ่องแผ้วด้วยความเอื้อเฟื้อโดยประการทั้งปวงเทินก็แลโดยอัธยาธิบายเพียงเท่านี้เป็นอันข้าพระเจ้าได้แสดงแล้วซึ่งศีลอันเป็นประการแรกในประกาวิสุทธิมรรค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 ปริเฉทที่หนึ่งชื่อว่าศิลนิเทศในปรกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมักอันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทแห่งสาธุชนดังนี้